เมื่อเร็วตัดเย็บผ้าคำนวณว่าเร็วนะเดี๋ยวนี้ก็เพียงสิบนาฬิกาสามสิบนาทีทุกอย่างก็เรียบร้อยจนกลานกรถินเสร็จเรียบร้อยว่ากลานกรถินคำนี้ก็ท่านจงกลานคล้ายๆกับว่าจงกลานกรถิ่นโดยผ้านี้นะแล้วก็เมื่อเราการอธิสงกระถิน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 เดือนเพ็ดไปถึงเดือนสิองเพนไปกว่าหมดอเ น, น้สงพันษาแต่นี้ถ้าว่าอเ น, น้สงกระถินนับจากวันเดือนสิองเพนไปถึงเดือนสีน่เพนหมดเขตอเ น, น้สงกระถินอเ น, น้สงกระถินก็คือให้ใหพวกเราดูฉันปลำปล ะ, ะไปโดยที่ไม่ได้บอกลา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 อันนี้คือในพระวินัยให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษานะอนนิสง์พันสารนี่คืออะไรอนนิสง์กถินนี่นนคืออะไรไม่ใช่ว่าอันนิสง์เป็นปุญญกุศลเข้าสู่จิตใจไม่ใช่นะเป็นข้อยกเว้นของวินัยอนนิสงอฉันปรำพระคณะโภชนาะฉันเป็นคณะโภชนะได้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 ตัวอย่างได้เพราะว่าไม่จําเป็นเราถือมาโดยสม่ำเสมออยู่แล้วเราจะไปหย่อนขึ้มาทั้งหย่อนทั้งตึงเยักเอยากอยู่ยงั้นเห็นแก่อยู่เห็นแก่กินเห็นแก่ความสะดวกสบายเพียงข้าแค่เล็บดําขนาดนั้นเหรอมันไม่ใช่พูดที่จะหวังพ้นทุกข์ในวัฏฏสงสารแต่ผู้หวังพ้นทุกข์ในวัฏฏสงสารแล้วก็นั่นแหละ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 เอารถไปเข้าอู่ไปตรวจสภาพแต่ตามจริงผมเองก็ไม่อยากจะไปหรอกเคยปฏิเสธมาไม่รู้กี่ครั้งถ้าไปตรวจมันก็ต้องหาไปหามก็ต้องเห็นไม่เห็นมากก็ต้องเห็นน้อยแต่พอเขาไปหามดีกว่าลูกพ่อขอให้ไปตรวจเออตรวจก็ตรวจพอเรากับอยู่กับ